เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามนานาสภาวะจิตการเจริญสติในเดือนที่สองทำให้ฉันเห็นตามจริงอย่างหนึ่งคือโลกนี้แบ่งเป็นสองภาคคือภาคแห่งรู ป, ปรธรรมและภาคแห่งนามธารรมโลกแห่งรู ป, ปรธรรมมีความวิจิตพิสดารหลากสีหลายสันอาจถูกตกแต่งปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ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 จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะส่วนใหญ่เวทนาของเรามักเป็นเฉยคือไม่เอียงไปทางสุขชัดขณะเดียวกันก็ไม่อยากตัดสินว่าเป็นทุกข์แต่เมื่อเจริญสติปัฏฐานกระทั่งเป็นสุขอยู่กับลมหายใจและอิริยาบถได้ความสุขก็จะเริ่มปรากฏเด่นกระทั่งแม้คิดฟุ้งซ่านหน่อยเดียวก็อาจเทียบเคียงเห็นว่า กำลังเป็นทุกทางใจได้และฉันเห็นว่าการฝึกรู้เวทนาจนคล่องแล้วนั่นเองก็ลาาจูงมาเห็นสภาวะของจิตได้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ประทานไว้ในหมวดจิตของสติปัฏฐานสี่ความจริงฉันเห็นสภาวะจิตต่างๆตามที่พระองค์ท่านแนะให้ดูมาบ้างประปรายอาจจะตั้งแต่เริ่มเริ่มภาวนาจริงจังทีเดียว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 เมื่อฝึกอาณาปานสติจนคล่องแล้วเป็นสมบัติติดตัวแล้วคืออย่างน้อยต้องรู้บ่อยๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกก็พบความจริงอีกประการหนึ่งคือฉันสามารถอ่านใจตัวเองผ่านลมหายใจได้หมดเช่นกำลังคิดมากหรือคิดน้อยกำลังรีบร้อนหรือวางเฉยกำลังลากยาวหรือกระชากสั้นเป็นต้น